أعوذ بالله ลเลาะห์ยลิชชัยตันุรจ ل มบิสมิลลาฮิ р r a الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ن ا ل س ل ي م وعلى آله وأصحابه عين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إ ل ا ما علمتنا إنك أنت الألِم الحكيم ر, ر, ر, ر ب نا ظلمنا وسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين ر ب ن ا إننا سمعنا منادين ينادي للإيمان الآمن بربكم ف آ م ن ا ر ب ف ف ر ن ا فغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا و دفنا من ضرار ر ب نا و أ ت ن ا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف ا ل ميعاد اللهم عارنا الحق حق ا ورزقنا اتباع وعارنا باطل باطل ا ورزقنا ا ج ت ن ا ت ع رب الشهري سدري ويسر لي أمري อัลลอฮฺลูกเด่นมิลิสานีฝั่งว ا ค๊าลีส و ามะลัยคุมบรหัสดุ ل ล๊าห์บครับอีกครังนึ่งที่เราจะมาร่วมกันศึกษาใครควรแตนบุร์ิตก่ออัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลละชิกุสุรอห์อัลฟุรควน ซึ่งหลายวันที่ผ่านมาเราก็มาถึงที่อายะที่20นะครับของสุระอนฟุรกอนซึ่งความจริงแล้วมาถึงอายะที่20นะครับที่ได้ผ่านไปนั้นก็ยังมีประเด็นมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อายัอันกุรอานนี่มันอ ะ, อะไรครับอายักุรอานนอกจากว่าความหมายที่เราจะรับได้โดยตรงเนื้อหาเรื่องราวแล้วยังเป็นสิ่งที่เรียกว่า i n s p i r เ t i o n ที่เราสังกฤตเรียกว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นแรงบันดาลใจมันทำให้เราฉุกคิดทำให้เราได้เก็บบทเรียนอะไรต่างๆมากมาย มันสะท้อนเป็นนร์จริงๆเป็นเป็นอะไรครับมันมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์กับบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาอยู่ในหัวใจนะครับแล้วถ้าหากว่าเราดื่มดำดื่มดำกับอันกุราในบรรยากาศที่บรรยากาศที่เอือ้อ มันเป็นมันเป็นอะไรที่ยากที่จะอธิบายได้ว่าอัลกุรอานได้ให้อะไรกับเรามากมายทีเดียวดังนั้นจึงเห็นว่าถ้าเข้าไปในโลกของวิชาการเราก็จะเห็นว่าหนังสือตัฟซีเนี่ยมีเป็นร้อยๆเล่มร้อยๆเล่มเนี่ยไม่ใช่คนคือมีความหลากหลายมากบางเล่มเนี่ยเป็นเพียงเรื่องของภาษา เรื่องของภาษาเรื่องความมหาศจา์ของภาษาอธิบายเรื่องภาษาจนไม่ได้อธิบายเรื่องอื่นโดยซ้าไปนะครับบางเล่มก็จะไปเน้นในบางประเด็นที่มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะครับเขาดื่มดำกับมันจึงต้องมีตับซีสนะครับออกมาอยู่ตลอดจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับดับซีดบางเล่มก็คือ เอาดับซีดบางเรื่อพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องของความศรัทธาความความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาตับซีดบางเรื่องกไปจับประเด็นเรื่องของมอญิสัตเรื่องของความมหาศักดิ์สทธิ์ของอัลกุรอานในแง่มุมต่างๆไปจับประเด็นในเรื่องของจักรวาลเรื่องของดาราศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่ากันไปยาวเป็นหนังสือเป็นเล่มๆในบางประเด็นไอ้เจาะลายมีฟิ็นกุรอาน ว่าเป็นหนังสือนักวิชาการบางคนอุทิศชีวิตให้กับกับอะไรครับกับความยิ่งใหญ่ของอันกรานุทิเรื่องเดียวบางคนเรื่องเดียวมีจะมากระทั่งถึงว่าตัวเลขในอันกุรานตัวเลขในอันกรานว่าคิดที่ล ah อสมาฮัตตลับอกเรื่องเกี่ยวกั บ, กบกจำนวนมาลายกาติสาี่หะตาตาอ า, าชบเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญมีนัยยะสําคัญอย่างไร หรือไปโยงใยกว่าละหมาดยะมาอาฮัติมัสยิดเนี่ยทําให้นะครับอลัลลอฮฺสวาฮ์บัลลาให้รางวัลตอบแทนกว่าละหมาดนะครับที่บ้านหรือละหมาดคนเดียวเนี่ยยี่สิบเจ็ดเท่าก็คิดไปถึงว่าทําไมไมันต้องเป็นยี่สิบเจ็ดทำไมต้องเป็นยี่สิบเจ็ดก็ไปหาหาห า, ห า, ห า, หาปรากฏว่าไปเออไปเจอว่าคําว่ามัสยิดที่อยู่ในอันกราในยี่สิบเจ็ดครั้งบ่ดีเห้ยละ มีนักวิชาการชาวปาเลสไต์คนหนึ่งแล้วตัวเลขไปดูไปหาดูใน Google นะครับจำนวนอะไรต่างๆแกก็ยังมีจำนวนค่าของตัวเลขอะไรค่าที่อักษรทำไมเราจึงเห็นว่าคำว่าบิสมิลลาเนี่ยเจ็ดแปดหกมันเจ็ดแปดหกนี่คืออะไรมันคือค่าของตัวอักษรที่ถูกตีมไปค่าของบาเนี่ยเท่าไหร่บวกเข้าไปบวกเข้าไป แล้วไอ้ตัวเลขเหล่านี้ที่มันวนเวียนอยู่ในอันกราดเนี่ยมันสัมพันธ์อย่างไงเขาไปศึกษาถึงขนาดนั้นเป็นความหมายสัจจันทร์ก็กลายคนคนหนึ่งนิวตันชีวิตไห้สุาาัสดีพระเจ้าเพื่อที่ให้ความยิ่งใหญ่กับของกับอันกราดอ่าอีก professor อีกท่านหนึ่งไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่เปล่าแต่ถ้าไปดูในยูทูบเนี่จะจะมีนะครับผมก็มีหนังสือของท่านบางเล่มด็อกเตอร์อ น่าจะสักลูนมีโลกัยนะแกพูดเรื่องความหมาจสัจจ์ของอังคานความหมายสัจจ์จตั้งแต่อววะลาใบจินวุฒิอาลินนัสเป็นเป็นบ้านคําว่าที่อัลลอฮฺมารซาลาบอกว่าบ้านหลังแรกที่สูกสร้างนะครับให้กับมนุษยชาติเนี่ย ค, คือคือไหนครับที่เป็นบ้านหลังแรกเนี่ยคือคืออะไรคือมักการที่ที่ใบ คืออะไรกับอัลฮารอมที่กาบบ้านเนี่ยเกิดความสงสัยขึ้นมาบ้านหลังแรกนี้มันบ้านหลังแรกในเรื่องของอิบาดาหรือว่าบ้านหลังแรกจริงๆล่ะเอร่าผมไปดูนิดหนึ่งที่ภาษาที่เขาใช้นั่นภาษาวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอจะคาดเดาได้ว่าไปไปมามแล้วมันบ้านหลังแรกจริงๆโอ้แล้วไปรู้ได้ไง ไปตั้งแต่ว่ามันกำเนิดกำเนิดไอ้ยัตซีรากำเนิดแผ่นดินขึ้นบนโลกเนี่ยมันเป็นยังไงและตรงนั้นมันไปอยู่ใจกลางของโลกได้อย่างไรเขาอธิบายไปได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรต่างๆที่ไรล่ะอ้ล้อลองไปดูนะครับเสียดายนะอายุป่านนี้แล้วเสียดายที่ว่ายังไม่ได้เรียนอะไรลยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้ ที่พูดกับนักเรียนวันก่อนว่าอะไรครับสุคริติสแหละมีคนถามมาท่านเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญาได้อย่างไรเนี่ยมีอะไรพิเศษที่ท่านทําให้ท่านเป็นนักปราชญาขนาดนี้ตอบสั้นๆบอกว่าที่ฉันเป็นนักปราชญาที่ต้องการสอนคนอื่นด้วยนก็ฉันมีอย่างเดียวแค่นั้นเองเพราะว่าฉันเป็นคนเดียวในในเนี้ย นะที่ว่าเป็นคนเดียวที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยไร้ไ <c> ร <oughs> ้หล่อๆ <c oughs> กับคนที่ว่ารู้นิดรู้น้อยที่จำตัวเป็นโอ้รู้มากเหลือเกินเนี่ยกับนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยตอบมาคําเดียวบอกว่าที่คนยกย่องเราว่าเป็นนักปราชญ์เนี่ยก็เพราะว่าเราเพราะว่านัชั้นเนี่ยเป็นคนเดียวคงเป็นคนเดียวนะมั้งที่ว่าบอกว่าไม่รู้ยังไม่รู้อะไรเลย ผมยังไม่รู้อะไเลยนะครับคือหาคนคว่าศึกษาคนว่าบางครั้งไ ม, ม่อย่างวันเนี้จะมานั่งแทบจะไม่กล้ามานั่งตำซีพอไปดูแล้วมันมันมีอะไรอีกที่มันที่มันซ่อนอยู่ในตัำซีอะครับที่มันซ่อนอยู่จนหาหาอะไรครับหาบางทีก็ไปเปิดหลังจากหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยอะไรเนี่ยมาเล่มโน้นบ้างเล่มนี้บ้างจะคว้ามาตรงไหนบ้างมันเกี่ยวกับคําศัพท์เกี่ยวกับอะไรประเด็น ที่เขาหยิบหยิบยกมาขึ้นคำมันละเอียดอ่อนที่เราจะได้เห็นในอายะของอัลลอฮฺมหะดะลาได้เลยเพราะว่าไม่มีคำพีเรียกว่า ก, ก็ก็แน่นอนแหละเราอยากเห็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเรียนอันกุรอานนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเฉเลียวฉลาดนี่สัมภาลอ์มันไปได้ ท, ท, ทุกทุกเรื่องนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่นะครับ เรามีอักีดา้าอยู่แล้วยองรับอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีอักขีดานี่ก่อน จ, จะอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างครับถ้ามีอักขีดาแล้วเราก็เรียกว่าอินชาอัลลอ์นะครับจะอยู่ในร่องในรอยต่างๆนะครับนอกจากการ <c oughs> นั้นบอกไปไปมาหนังสือที่ก็แปรกันบา ง, บางทีก็ พอเราไปดูในด้านด้านภ า, าษาที่นักวิชาการอธิบายแล้วมันบางทีบางคํามันก็หายากที่จะแปลบางคําก็แปลบิดเพี้ยนไปก็มีอันนี้เราก็ไม่ไม่ว่ากันเขาก็พยายามองังวาร์ลอสมาฮัตลาจะให้อภัยนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะถอดความของอันกุรานนั้นวิธีการเดียวที่จะให้ที่จะช่วยให้ความหมายอันกุรานนั้น <c oughs> สมบูรณ์ขึ้นก็ <c oughs> ก, ก็คือต้องอาศัยตับซีฟเข้ามาช่วยครับ วันนี้นะครับก็จะเป็นอายะที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอายะยี่สบเอ็ดเป็นต้นไปนะครับฉาเลาะเราก็จะว่ากันไปตามเวลาที่มีอยู่อวิมนนยี ก็จะเป็นยุคที่นะครับ19พอดีนะครับเริ่มต้นที่อายะยี่สิดนครับว่าแล้วแล้วที่อัลลฮมิมีอิสลามหรือรจมว่าแล้วล้ีนั่นไมรจูนลิขออันะครับแค่นี้เราก็ต้องหยุดมาดู ว่ามีอะไรอยู่บ้างก่อนหน้านี้เราได้เห็นความตะกบบดถือดีนะครับถือดีหรือคิดว่าตัวเองนี่มันเป็นเป็นอะไรครับคนหลงในตัวเองเออคิดว่าตัวเองนี่สำคัญมากคำว่าตะกบบดเนี่ย สิกวร์นะที Trustee ่จะปรากฏในคาของอันกุรานนะครับในอายะนี años, ut, nam, ้นะครับอายะนี้อยู่ตรงไหนนะครับว๊ก وقال َ ال الذين َ لا يرجون َ لقانا ِ لولا َ أنزل علينا َ الملائكة ََُِ أو َ نرى ربنا ละ قاد استكبروا في و a ะ ق ا و ا في أنفسهم وعتو عتوة كبيرة لقد استكبروا في أنفسهم ตั้งแต่ตอนชราเป็นต้นมาพวกปฏิเสธ รวมหนึ่งามุนนชิกีนเนี่ยตั้งประเด็นขึ้นมาตั้งข้อกังขาขึ้นมาตั้ง อ, อ, อะไรครับใส่ร้ายปายสีท่านอาบับดสลลอฮฺฮุอาลีลลัสลามรวมทั้งก ล, กล่าวกล่าวว่านะครับอันการานนั้นเป็นอิฟเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องมระเทศอาซาฟี เป็นนวันิยายต่อมาก็มามุ่งที่ท่านอบีุลเลาลัลลอฮะเปรียัลลัมนะครับบอกว่าอย่กคุรุตะอาวยังชูพินอสว่าจเป็นรอซูลได้ยังไงที่คนที่กินอาหารเหมือนกับเรานะครับกินกินข้าวเหมือนกับเราเนี่ยแล้วก็เดินตลาดเหมือนกับเรานะครับออมามุ่งมาที่ท่านรอซูลสัลลัลลอฮะลาัลลัม่อมาก็แนะนาอัลลอฮฺุฮละลาบอกว่าลอลาอุนซิลา อ่าไอ้ละครทำไมไม่ส่งมาเพราะกับท่านอาบีเนี่ยให้มาไลากัสมาประกบด้วยจะได้ช่วยจะได้ยืนยันในใว่าเนี่ยนะครับจะได้มาบอกกับพวกเราให้มาไลากัสมาบอกกับพวกเราว่านี่เป็นรสนิจนะเนี่ยท่านถูกส่งมาจากอัลลอฮ์แล้วก็มุฮัมมัดเนี่ยเป็นรสนิยของอัลลอฮ์สุลต่าละความเยอะเย้ยที่มันมีมาเรื่อยเนี่ยคือความความอหังการความความตะกรบดของคนพวกเนี้ย คิดว่าตัวเองบนบนบนแผ่นดินเนี่ยมนุษย์เนี่ยตะกบดนะครับออลว่ามันมันมันน่าเกลียดมากถือดีคิดว่าโอ้ลงลงขึ้นดูเลครับไปแนะนำออรรถวาตลามันเป็นเป็นใครที่ไปแนะนำออรรถวาตลาอย่าว่าแต่แนะนำออรรถวาตลาเนี่ยเราจะแนะนําผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันทําได้ไหมแนะนําเจ้านายแนะนําเจ้านายเนี่ยคนที่ว่าระดับล่างสุดเนี่ยขึ้นไห ขอแนะนําผมขออนุญาตที่จะแนะนําเรื่องนี้ครับทั้งอย่างนี้ทําไม่ถูกมันน่าใจอย่างนั้นญาติใจอย่างนี้ <Ri ots> ผมว่าคุณมาทางไหนคุณไปทางนั้นเลยสักเดียวก่อนไอ้ขั้นตอนของการแนะนํา ม, มันมีขั้นตอนของการแนะนำว่า ม, มันมีไงแล้วเป็นเสนอหน้าที่จะแนะนําว่าบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้คุณเป็นใครมาจากไหนแล้วถ้ายิ่งคนที่มีคนที่มีตําที่เป็นมนุษยน์นะถ้าคนที่มีตําอย่างใหญ่ใใขึ้นไปอีก ถ้าเป็นถึงถ้าเป็นถึงนายกเป็นถึงอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันเก้าเขาเรียกว่าอตตาป้าวุ่นในภาษาอังกฤษตาป้าวุ่นมันก้าวล่วงมันละเมิดอย่างไรมารยาทสิ้นดีแล้วมันอีกเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งคนคนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าด้วยคําอธิบายแบบอื่นอีกเรียกพวกนี้ว่า บอกว่าแล้วที่น <w> ั่ ا พวกนี้เ no ป็นพวกลายจูน no ท <m Perfect vibrating> <automate> <um ี่กล่าวมาตั้งแต่ต้นสุรเนะครับพวกที่อัลลอฮฺบรรดาผู้ที่ละไม่ยืดจูน หวังแต่ ว, ว่าหวังแปตามตัวนะยะมาลู่นะแต่พอไปตัปซีดป่อยวิบานในตัปซีดเขาก็ต้องอธิบายคําว่าหวังนี่มันปกติเราไม่ใช่หวังหวังพบอัลลอฮ์ไม่หวังพบอัลลอฮ์สมารตระก็ไม่เชื่อเรื่องไม่เชื่อข้อใหญ่ใจความคือพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องการพื้นขืนชีพผ่านมาแล้วไนงะผ่านผ่านมาแล้ว อายะที่ได้อธิบายไปแล้วก็อลองไปย้อน ด, ดูกันแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนไม่เชื่อเรื่องการฟื้นคืนชีพไม่อยู่ในความคิ ด, เ ร, ร ด, คดเรื่องการพื้นคืนชีบว่าจะได้พบอัลลอฮฺเรื่องการพิพากษาตอบแทนเนี่ยไม่เคยอยู่ในความคิดในชีวิตเนี่ยไม่เคยไม่เคยเอาเรื่องนี้มาเป็ น, ม า, ปนมาเป็นประเด็นเลยได้มาแล้วก็ใช้ไปไปแสวงหายอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรไม่เคยเชื่อมโยงชีวิตกับเรื่องของอัคคีรอเรื่องไม่หวังก็ไม่ไม่ไม ไม่ได้คาดหวงังอะไรหลังจากที่ตายไปแล้วเอาให้ม er> ันเต็มที่ตอนที่มีชีวิตอยู่แค่นั้นเองไม่เคยคาดหวังบท่านก็อธิบายบอกว่าไม่กลัวไงก็คือหวังหวังคือหวังอะไรหวังรางวัลตอบแทนสองอย่างหลังความตายเนี่ยถ้ามีความหวังหวังอะไรหวังว่าจะได้รับความดีและในคำนี้ซ่อนเรื่องของความกลัวไว้ด้วย ยารุู่่ใลูกกานาเพราะว่าคนที่ทําผิดต้องกลัวไงวไเพราะไปพ่ออัลลอฮฺสวาตัลลาต้องกลัวการลงโทษหวังในรางวัลตอบแทนแนละกลัวการลงโทษของอัลลอฮฺสวาตัลลาพวกนี้ไม่มีเรื่องนี้เพราะไม่มีเรื่องนี้แล้วก็มันหลุดเลยแนะครับหลุดเลยอาจจะกลัวโทษบนโลกนี้กลัวติดคุกติดตารางแต่มันไม่หมดไงไม่หมดถามว่าจะเก็บหมดไหม ถ้าคนไม่ว่ากฎหมายเนี่ยร่างกฎหมายออกมากฎหมายออมีช่องนั้นออกแก้แก้ไขเอามาเปิดช่องนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะครับถามว่าจะร่างไปถึงวันเยียมัดจะสมบูรณ์ไหมกฎหมายที่มนุษย์พอร่างไปมากๆมันเยอะเกินไปเยอะเกินไปกิจการกฎหมายมันเยอะเกินไปโอจะทําไงให้มันย่อเรื่องนี้ตัดออกไปบ้างเอาเรื่องเหล้านี่ยังไงแก้เรื่องเหล้านี่เอาเด็กยิงกันทีนึงนักศึือายิงกันทีหนึ่งก็ไปตากฎหมายว่าห้ามขายเหล้าเครื่องดื่มของเหาบริเวณ ที่ใกล้กับสถานศึกษาใกล้กับมหาวิทยาลัยใกล้กับวิทยาลัยใกล้กับโรงเรียนเนี่ยเอาจะห่างเล็กเท่าไรหนึ่งร้อยเมตรห้ารอยเมตรเอาแกได้ไหมถามว่าแกได้แล้วที่ไกลออกไปอ่ะมันก็ถัาห้าร้อยเมตรผมไปพ้นรถมี่ห้ารอยเมตรแล้วก็กลับมาตีกันกลับมาฆ่ากันแล้วมันจะว่ายังไงนี่กฎหมายของมนุษยนะครับไม่ใช่ไปจะไปจะไปยจะไปยกเลิกสิคราบก็ว่ากันไปตามกฎหมาย เรื่องการทุจริต ข, ขอรับการเมืองการโกงไม่ได้อย่างนี้มันก็โกงแบบอื่นเอาวิธีการอย่างอื่นไอไม่หมดไม่หมดอันนี้คือกฎหมายมนุษย์ร่างขึ้นเนี่ยมันปิดได้แค่ช่อ ง, องี่แคบแค่แค่นิดเดียวเองและที่เหลือที่จะกันมนุษย์จากจากอะไรครับจากการทําผิดที่กฎหมายของมนุษย์บนโลกนี้เนี่ยเอื้อมไปไม่ถึงเนี่ยจะเอากฎหมายอะไรมาใช้ ก็เนี่ยแหละครับก็เรื่องของอิ م านก็เรื่องความศรัทธาแต่ไม่ใช่เรื่องของมันติกนะมันเรื่องจริงมันเรื่องจริงในทางปฏิบัตินี่หมายความว่าคนที่มีอ ي م านเนี่ยมันแก้ปัญหาได้เหมือนแก้ปัญหาที่ว่าได้ทั้งโลกนี้แล้วกันเรียกว่าถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายตรงนี้คุณก็ไม่ต้องไปร่างกฎหมายหรอกถ้าเขามี إ ي م าเนี่ยเาไม่ทามันวบคุมได้ เพราะว่าแล้วมันเลยพ้นข้ามข้ามมิติของมนุษย์ไปอ่ะข้ามมิติของมนุษย์ว่ากลัวคนกลัวกฎหมายกลัวอะไรต่างเนี่ยไปกลัวพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันครอบคลุมทุกอย่างเลยทำให้ชีวิตเนี่ยของคนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปเขาจะอยู่คนเดียวเ็าจะอยู่สองคนสามคนไม่มีใครเลยจะอยู่ในที่ลับที่เปิดเผยชีวิตของเขาสื่อม ส, สุจริต ไม่เคยคดโกงไม่เคยคดโกงตัวเองคดโกงคนอื่นก็คดโกงตัวเองเพราะต้องได้รับลงโทษผลที่สุดก็คือทําให้ตัวเองได้รับการลงโทษไปทําความชั่วก็คือว่าต้องต้อ ง, ต, องตัวเองต้องรับโทษลงมันตัวเองหมดเลยแม้ว่าจำรับรวยมหาศาลแต่สิ่งนี้มันจะเพิ่มพูนความการลงโทษยิ่งโกงมากยิ่งถูกลงโทษลงโทษมากหรือแม้แต่โกงนี่เดีวก็ถูกลงโทษอยู่แล้วอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นสมัยหนึ่งมีโครงการที่จะรักษาแม่น้ำเจ้าพระยา ในกรุงเทพนั่นจงนั้นผมอยู่กรุงเทพก <c oughs> ็คิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งปัญหาคือคนทิงท้งทิ้งทิ้งขยะลงแม่น้ำอะเรือบ้างเรื อ, อนะครับเรือด่วนเจ้าพระยายเรืออะไรต่างๆคนที่อยู่ข้างสองฝั่งเจ้าพระย่ายก็ทิ้งขยะลงไปเท่า ไ, ไงออกสติ๊กเกอร์ จำได้เลยตาวิเศษเห็นนะตาวิเศษเห็นนะโ อ, โอ้บูมกันใหญ่เลยตาวิเศษมีรูปการ์ตูนแล้วก็มีรูปตายังจําได้ลางๆว่าเออถ้าเห็นเนี่ยจำได้เลยว่านี่แหละใช่แหละตาวิเศษเห็นนะติดสติ๊กเกอร์นี่ถ้าถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนโรงเรียนนะ่ะ Ó, ตาวิเศษเห็นนะก็คือว่าใครจะทิ้งใครจะทําอะไรใครจะฉี่ลงแม่น้ำใครจะโอจระลงแม่น้ำใครจะทํายังไงทิ้งน้าเสียทําตาวิเศษเห็นอยู่นะได้นะบาีลอบาีรถ้ารู้จักอิสลามไม่ต้องแล้วเอามาต่อเอาอิสลามเลยเอาอิสลามเลย แต่อิสลามเราก็คือมันมันปัญหาของเราคือปัญหาอิมานไ อ, อ์ إ ي م า ن ที่ไม่จริงอม م า ن ปลอมถ้าอม م า ن จริงเนี่ยสุภาพน้อ์มันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสภาพแวดแล้อมเปลี่ยนอะไรได้คือได้ได้ตลอดเสียได้มากขาดทุนเป็นเรื่องที่ขาดทุนมหาศาลที่ว่าอิสลามเราเนี่ยอ่อนที่ที่มุสลิมเรานี่อ่อนแอนะตเชบนาซนเขียนหนังสืออ่ อะไรครับมาจากมาจากขอเสารอัลเบหินเบหินฮิปอตอันุสลิมโลกในศูนย์เสียอะไรเยอะแยะมากมายเนื่องจากว่าความมุสตกต่ําของมุสลิมเนี่ยความตกต่ําของมุสลิมก็มีเหตุมาจาก إ ม م ا ن ที่ตกต่านะครับตกต่าเรื่องของอี م ا ن เราต้องฟื้นฟู إ ม م ا ن เพราะฟื้นฟู إ ي م านวิชาที่สําคัญที่สุดที่จะต้องฟื้นฟู إ ม م ا ن คือนี่คืออันกรานเนี่ยแหละ เราถ้าไปเอาวิชาอื่นเนี่ยไปเรียนว่าลูกคนอิสลามมีเท่านั้นลูกคนอิสลามมีเท่านี้ลูกคนอิลูกคน إ ي م านมีเท่านี้มันจะอธิบายอย่างไรอยากอธิบายอย่างนี้ก็ว่าให้การศรัทธาเนี่ยเราศรัทธาใ น, าในบรร ด, ดาไม้อะไวก็ศรัทธาในคำพิธีแล้วคุณอยอธิบายไปมากกว่านั้นได้ไหมบางทีมันไปไม่ได้ลากไปไม่ได้ลากแล้วบางทีมันลากไปเพี้ยนแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อมโยงโยงใยอยู่กับอัลกุรอานมันก็จะวนอยู่นะครับ อายะตรงนี้มาเสริมตรงโ น, น, น้นนะครับเพียงแต่ว่าต้องอาศัยตำสีต้องอาศั ย, ศยหลักวิชาการที่นักวิชาการได้อธิบายแล้วอย่างพิถีพิถันให้เข้าใจจริงๆอธิบายจริงๆก็จะเชื่อมโยงเรื่องของความศรัทธาเป็นความยิ่งใหญ่มากถ้าไปสอนชาวบา้านสอนสอนคนมาฟังคนที่เรียนแบบเก่าๆมาฟังก็บอกว่า นะครับทาไปบรรยายก็บอกว่านี่ยเพียนมันไม่ได้เรื่องศาสนาแบบนี้แต่ถ้าเรายึดถือว่านี่อัลกุรอานอยู่ในมืออายะนี้บอกอย่างนี้อธิบายเรื่องนี้แบบนี้และนักติชาการอธิบายแบบนี้ใครจะมาเถียงว่าคุณอธิบายไม่ถูกครับเนี่ยครับไม่หวังไม่หวัง ไม่กลัวไม่หวังว่าจะได้รับรางวัลตอบแทน <c oughs> ไม่คิดว่าจะลงโทษเนี่ยคนไม่หวังลายารจูลายารจูน่าลควไปพบอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลละนักตีบายว่าไ ป, าาาาไปคาว่าไปพบเนี่ยเป็นรุยะก็ได้เป็นรุยะเพะะเห็นอัลลอุบฮะตละเป็นรุยะรุยะที่ที่เป็นเนี้อหมัดแยิ่งใหญ่ที่สำหรับผู้ศรัทธาที่จะ ผู้ศรัทธาที่จะได้รับในวันเกียรติมาคือการได้เห็นการได้ยินการได้เห็นอัลลอฮฺมะฮ์ตะลา น, ala, นะครับพบอัลลอฮฺมะฮ์ตะลาพบกับอัลลอฮฺมะฮ์ตะลาสิ่งดานแรกก็คือการพิพากษาตอบแทนการวิพากษาตอบแทนถ้าไม่หวังตรงนั้นก็ไม่เชื่อเรื่องวันพาเกียรติมาค่ะนะครับไม่เชื่อเรื่องวันเกียรติมาไม่หวังไม่กลัวไม่อยู่ในระบบความคิด ไม่คาดหวังความดีไม่กลัวที่จะพบกับอรรถสมาตาลาไม่กลัวว่าจะพบกับความเลวร้ายหรือการลงโทษนี่คือไม่หวังเพราะไม่หวังตรงนี้แล้วมันก็หลุดไปเลยเลยแนะนำซะเลยเลยแนะนำเลยก้าวล่วงต่ออรรถสมาตาลาเยอะเย้ยในเมื่อคือไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าผมไม่เชื่อโลงโลกหน้าแล้วก็ตั้งประเด็นขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่ง นี่แนะนอีกแล้วก่อนหน้านี้ก็แนะนำคล้ายนี่แหละครับลาอุนซิลอาลัยนาลาอุนซิลอลัยนา ท่านล่ะทำไมทำไมทำไม่ย kind of <suffering> ังไม่ส่งมาไรกัดลงมาทำไมไม่ส่งมาไรกัดลงมาลงมาให้พวกเราลงมาเจอกับพวกเราส่งมาไรกัดลงมาก่อนนี่นะให้ประกอบพระชุด์ห็นไหมเราลาอุนจิลามาฮูอะไรครับนาก่อนอาย่างก่อนหน้านี้นะ ก็ให้มาลายกัตมาประกอบท่านอับดุลลาห์สุลต่านคอย ก, ก็เป็นผู้ช่วยท่านอับดุลลาห์สุลต่านคอยผู้ดสั้นคอยสนับสนุนท่านอับีตรงนี้บอกว่าอามาให้มาลายกัตก็ทํานองเดียวกันคือส่งมายัางพวกเราเนี่ยซึ่งมาลายกัตทำไมไม่ส่งมาลายกัตลงมาอย่างพวกเราถ้าจะให้ชัวร์นะ ให้ชัวร์เลยชัวร์เลยเอาน้าเรบนะลอิลฮอิัลลอฮเอานสุดสุดเลยหรือว่าให้ใต้ชัวร์เนี่ยให้เราเห็นพระเจ้าของเราเลยลอิลฮอิัลลอฮ ในในทุกวันนี้ผู้ปฏิเสธที่สุดๆก็จะพูดถึงประเดนเนี่ยพระเจ้าคุณอยู่ที่ไหนอะไรที่เขส่งกันในโซเชียลมีเดียที่มีบางคนที่พูดถึงอ๋อพูดถึงอะไรต่างๆที่ได้คำต้อยคำที่หยาบคายอะไรต่างๆเนี่ยความจริงมันผ่านมาแล้วบางทีพวกเราก็ทนไม่ไหวก็โต้ตอบกลับไปอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้คือต่อต้านตะกบุนที่อัลลอฮฺุลตัลลาบอก นี่มันสุดที่สุดของที่สุดก็ด ค, คือบอกว่าให้เราเห็นพระเจ้าจเลยจะได้จบจบกันไปถ้ามีจริงถ้าพระเจ้ามีจริงแสงแดงตัวออกมาเลยได้ละฮะแค่ผมเส้นหนึ่งคุณก็เรียนไม่หมดแล้ว เห็น ส, สิ่งที่ถูกสร้างบางอย่างที่อะไรอาคารบางอย่างทึ้งโบราณสถานบางอย่างนครวัดในขเขมรที่ทะเลาะอยู่กับไทยไม่จบจบโอ้มาสดชั์มากสิ่งปลูกสร้างนี่มันมันมาสดชั์ของมาสดชั์ในโลกกำแพงเมืองจีนก็ต้องซื้อไปว่าใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้ทำไว้ มันมหาสัจจันอย่างนี้แล้วสถานที่อีกร้อยแห่งพันแห่งในโลกเนี่ยมันเป็นแบบนี้เอาพีรามิดนะในอียิปต์ทายังไงแม้แต่มัสยิดบางแห่งผมไปนั่งในมัสยิดยามเนี่ยไมสใช่กลางที่ที่ที่โอนเดลี Delhi, สมัยอยู่อินเดียที่สร้างในสมัยที่อิสลามไปปกครองอินเดียนะครับ ไปนั่งดูว่าก้อนหินใหญ่ๆเดินพาขึ้นไปได้ยังไงไปนั่งดูก้อนหินโค้งทําที่ว่าพาขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้กําลังคนว่านั่งนึกว่าทํำยังไงวิธีการงไงแค่นี้เราก็คิดไม่ออกแล้วคิดไม่ออกก้อนหินใหญ่ๆคือถ้ายกนี้มันใช้เครนยกขึ้นไปอะไรต่างๆมันมากคว้นมันเป็นสิ่งที่คิดได้งไงแต่ยกก่อนเนี่ยมันลากด้วยอะไรทําด้วยอะไรนะครับ หลายสิ่งหลายอย่างที่เราชงหวนชวนเทศกับการสร้างแล้วเราก็บอกว่าใครนะที่เป็นคนคิดเรื่องนี้สิ่งมหัศจรรย์อันนี้ใครเป็นคนคิดเรื่องนี้และถ้าเส้นผมเส้นหนึ่งเนี่ยคุณเรียนทั้งชีวิตเนี่ยคุณเรียนยังไม่หมดเนี่ยมันเรื่องนี้ไม่ใช่บังเอิญแน่นอนผู้ที่ผู้ที่สร้างสร้า ง, ส, างสิ่งเหล่านี้คุณจะเรียกว่ายังไงถึงจะให้ถึงจะให้ ใกล้เคียงกับนะครับใกล้ใกล้คเคียงกับนะครับผู้สร้างมากที่สุดก็เลยในคําอุกฤษณ์มีเขาเรียกว่ามุบาลเราก็คําที่อัลอาลีมอลัอลฮักิมอลัลขวบีรอันบอซีอลัอลเมี่เหล่านี้คําเหล่านี้มันถึงที่สุดมันสุดแล้วก็แม้กระทั่งภาษาเนี่ยแปลไปไม่ถึงใส่คําว่ามหาใส่ว่าผู้ทรงใส่ใคําว่ายิ่งใส่คําคว่ามากมาย นะครับเปี่ยมลน้นยังไม่ครบเลยเพียงแต่ว่าพอจะพอจะทำให้โอ้มันคือที่สุดท่านนมของอัลลอฮฺมาตะลาใรู้ไว้ว่าที่สุดของที่สุดที่สุดแล้วแปลออกมาเนี่ยมันแค่ได้ภาษาของมนุษย์ธรนั่นเองแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้น <c oughs> นา้เห็นน่าร้อนสุดเลยถ้าทำงานบริษัทบางบริษัทเน่ยเคยเจอเจออะไรนะเจอบอสใหญ่หรือเจอประธานท่านประธานบ้างไหยเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเห็นในรูปนะอาจจะเห็นในรูปหรืออาจจะอะไรอะไรเขาเรียก วิดีโอวิดีโอคอนเฟรนซ์อ่ะประชุมทางทางวิดีโอท่านประธานไม่มีเวลาลงมาดูคนระดับล่างคนเก็บขยะอะไรเคยเจอท่านประธานบ้างไหมไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยฮ <c oughs> ขอดูหน่อยได้ผม <c oughs> ทํางานให้ผมเขาเจอท่านประธานมาพบคุณได้รับเงินเดือนคุณได้อะไรทุกอย่างท่านประธานจัด ก, การให้คุณหมดคุณไม่ได้ผมไม่ไม่ไม่เอา ท่านประธานไม่ประสั่งผ ม, ผ ม, ผมก็บอกว่าอไปทางไหนก็ไ ป, ไปทํามากินของของขอ ง, ของมึงเถอะอย่ามาทําที่นี่เลยมันมันอะไรคุณเป็นใครคุณเป็นใครมนุษย์นี่เป็นใครเราบอกว่าสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วก็เป็นดินเนี่ยมันยากกว่าสร้างมนุษย์เอาตัวคุณไปยืนอยู่ข้างภูเขาเอ้ตัวคุณ นะครับไปยืนอยู่ในทุ่งนาที่โล่งแจ้งแต่ตัวคุณขนาดไหนแล้วลองมองลงไปที่พื้นว่าสัตว์เล็กๆ เ, เนี่ยมองตัวคุณคุณใหญ่แล้วโอ้โมันมันใหญ่มากเลยเหมือนกับมดที่บอกว่าระวังนเดี๋ยวเด๋ยวสุเลมานนะเหยีย <c> บ <oughs> <c oughs> <c oughs> นบีสุเลมานมดพูดกันนะท่นบีสุเลมานสุดายบอกไว้ว่าอัลลอฮฺมาตาลาให้ท่านนาบีสุลสลเ ล, าา ล, าานนาลมานเข้าใจภาษามด โอ้ oh. <laughs> อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยเรื่องหนึ่งคนได้ไม่เรียนคนที่ไม่รู้เนี่ยมันบอกว่าเอ้ hey, มดพูดได้ยังไงนกพูดได้ยังไงภาษานกภาษาโอ้ oh. คนเรียนนี่ไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเข้าใจภาษามดลองดูฝรั่งทําสารคาดีนี่มันอธิบายได้หมดเลยว่ามดทําอย่างเนี้มันหมายถึงอะไรนกส่งสัญญาณแบบนี้หมายถึงอะไรต้องการประสมพันธุ์จะวางไข่จะอะไรต่างๆภาษาไหม ภาษาที่เขาอ่านจากพฤติกรรมของสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาษาแลนนารีสุเลมานเข้าใจภาษามดเนี่ยมันก็ได้อาจจะเป็นภาษาจริงๆหรือภาษาอังกฤษน่าอันอัลฟาวิฮีอัลอาเมิกอัลวาส์มันบอกบอกถึงว่าท่านเข้าใจสิ่งหนึ่งๆเนี่ยมาทดลองเขาเนี่ยเข้าในห้องแรมเนี่ยเขารู้รายละเอียดของสิ่งนั้นๆจนบอกได้มันกับว่ามึงบอกมันมันบอกมึงหรือไงว่ามันเป็นอย่างนั้น ได้ละ <Ya> <laughs> มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยพอเราเรียนแล้วโอ้ไม่ใช่เรื่องแปลกอนนี้อยากจ ะ, จะให้เห็นอรรถได้เละนี่คือบาปใหญ่ที่สุดคือเรื่องที่ตะกบบดตะกบบดสดๆแล้วที่จะเห็นอรรถเรื่องเห็นอรรถสวรรค์เลยอายธตามาละกาดิสเตกบารู แน่แท้พวกเขานะครับละกาดิสตกบารุฟีอันพุซิหิม ภาษาไทยภาษาไทยมานแปลภาษาไทยมางทีทเขาแปลแปลแบบข้ามๆก็ต้องไปเอาเรียงภาษาบางทเราก็คิดไม่ทันเรื่องพิเรียงภาษาว่าจะแปลยังไงต้องมา น, นั่งก็ต้องอาศัยคู่มือที่เขาแปลมาแล้วบางทีคำนารู้แต่ว่าพอมาแปลจะเรียบเรียงจะเรีย ง, ยงไงก็ปัญหาเยมือนกันก็ต้องไปหาตำสิที่แนะนำํำสำหรับคนสามารถที่จะอ่านได้กลีมหนึ่งนะครับที่เป็นความหมายกบรานก็คือตำสิทธิปิณัน อัลหะหมัดของมาเลเซียนะครับอันนี้แปลแปลแปลดีมากแปลเรียกว่ารักษาคํารักษาอะไรต่างๆแล้วก็จะมีฟุตโน้ตที่ที่ให้ให้คำอธิบายไว้นะครับแล้วนี้ก็เป็นภาษาที่เป็นภาษาเยาวีนะครับเขียนด้วยพยัญชนะภาษาอ раб แปลว่าอย่างไงคํานี้อิสิกวารก็คือตกกะกบดนะ้านคำว่าคําเดิมก็คือนะครับคำคำเดิมก็คือกาฟบาร จะรับร im. ah uh ู้ว่าตะกบดตะกบดอิสต mm. ์ขบาร์แลดิสตบารูัวอดิมีสสงอพวกเขาที่มีาท่านทีวิเห็ควดนที่วเห็นทีวคเนที่าเห็นทีวเนควิดเควนที่าหวคเนที่าคหควเนคิดน่ควิดเควคน่านี่ควิดเ่าห่วเห่ คำว่ากบีดกบีดคำว่านะครั บ, รรบที่เราใช้กับอัลลอฮ์มาแต่อัลลอฮ์อักบับนะครับอันกบีดอันมุสตาอ์นนะครับเรียกว่ามันเป็นเรื่องเราเรียกว่าคิดว่าตัวเองใหญ่คิดว่าตัวเองสําคัญสําคัญตนผิดนี่คือพื้นฐานสําคัญรากงอกของตะกับบดเลยพอสําคัญว่าตัวเองผิดก็คนอื่นก็ไม่อยู่ในสายตาดูถูกเหยียดหยามคนอื่น แสดงท่าทางนะครับออกมาทั้งคำพูดและการกระทานะครับเรื่องของนะครับตะเคียน ยังสุดซาดซาร์เนี่ยด้วยวิธีการอะไรครับอดอเตาก็คือละเมิดแต่เาวชนละเมิดขอบเขตเลยละเมิดขอบเขตก้าวล่วงต่อลอสวาตาลาละเมิดขอบเขตที่สําคัญที่สุดคือก้าวล่วงไม่รู้จักฐานะของตัวเองอัตโตวันกบีรอซึ่งการละเมิดที่นะครับซึ่งใหญ่มากเลวร้ายมาก กัแล้วเมื่อตรงนี้มันเลวร้ายมากนะครับนี่แหละครับคือลอสมาฮตาลาได้กล่าวถึงนะครับกล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธที่ได้บังอาจเขาเรียกแบาบังอาจต่อทานนะบังอาจต่อลอสมาฮตาลาบังอาจต่อนะครับแล้วเมื่อต่อลอสมาฮตาลาเห็นไหมครับภาษาที่เขาใช้ราชศัพเขาเรียกว่า อะไรนั้นที่เขาพูดจะใช้กับนายหลวงเวลาไปไปสร้างความรักใคร่เคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทครับนี่มนุษย์เขาไม่ว่ากัน น, ะนันว่าเป็นเป็นความเชื่อเป็นเป็นอะไรวัฒนธรรมของของของระบบของอะไรครับของสังคมอันนี้ครับคือใช้กับผู้ที่ มีฐานะที่สูงส well, ่งแต่สำหรับเราคืออัลลอฮฺสุวาห์ตะลาเนี่ยครับพวกนี้ออตุวันกับบพี่เรามันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามินนะครับมินความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุวาห์ตะลาอย่างหาอย่างยากที่จะอย่างยากที่จะให้อภัยกับก่อนหน้านี้ให้ เนี่ยต ah, ่อายะนี้อายะนี้บอกว่าให้เลอุน z i อลนันมาลาอิกะก่อหน้านี้เนี่ยนีก็เสนอเนี่ยว่าให้มลายกัดขอมาลายกลงมานะครับก่อนหน้านี้ก็ให้มลากัดลงมาเพราะกษัตรบีสัลลอลฮสลามนี่ต้องการเห็นมาลายกัดและสุดๆก็คือต้องการเห็นอัลลอ์ุวาหตลลาให้นะครับขอจะเห็นอัลลอ์ุวาตลลาอูนรบะนอายะที่ี่ เอาละนี่จะให้แล้วเลาจะให้พอถึงเวลาเราจะอะลรจะให้ให้อะไรเอาอายะที่สามย์ยมาย์ยรูนัลมาลาอิคต์ลาบูชรานยยามาอิดิลล์มุจริมี ว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่หรอกท่านท่านบอกว่าท่านจะได้เห็นมาอะไรกัแต่วันนั้นวันที่เห็นมาอะไรกัย่อมไม่ยาวนานมาอะไรกัวันที่พวกเขาเห็นมาอะไรกัทุกอย่างจบแล้วคุณทุกอย่างมันจบแล้ว มาลายกัตออกมาเมื่อไหร่มันบ่งบอกถึงว่าคุณไม่มีสิทธิ์แล้วลาบุชัวร์ไม่มีข่าวดีแล้วในวันนั้นไม่มีสาวดีสาหรับพวกมันไม่มีข่าวดีสาหรับพวกแกแล้วในวันนั้นวันที่มาลายกัตออกมาไม่มีข่าวดีบุชัวร์แปลว่าข่าวดีไม่มีของดีเลย สิ่งที่บวกคุณได้สะสมไว้สิ่งที่วกคุณได้ทาไว้วันนั้นมาลายกัออกมาบ้างไรเพราะวันที่อรสาหัตลาจะตัดสินวันพิพากษาตอบแทนวันกียมัตเนี่ยผู้ที่จะประปากดตัวคือมามากัหนึ่งนึงก็คือผู้นะครับมาลายกัตของอสัลางละนะครับฮันที่วกเขห็นมาลากัตวันที่มดินวั sebarang ข่าวดีสาหรับคนที่คนที่ทาความผิดนะครับพวกเหล่นี้พวกนี้ที่ต่อต้านที่คัดขันท่านนบีสลตละหัวลลัมที่ไม่เชื่อเรื่องตุลาไม่เชื่อเรื่องอัลลอุสลาตลาไม่เชื่อเรื่องวันฟื้นภคาศาตอบแทนดูถูกเหยียดหยามท่านนบีสุลต์ละหัวเลสลัม เรื่อยมาในที่ตั้งแต่ต้นเนี่ยครับเรื่องน่าปฏิประต่อกันได้เลยวันหนึ่งที่จะมาถึงวันที่นามัยไร้กัดปรกากฏตัวเนี่ยไม่มีข่าวดีสำหรับพวกเขาเลยไม่ได้เป็นข่าวดีเลยกำลังจะบอกว่าถ้าคุณทำผิดคุณยู่รีบแก้ตัวถ้าว่านะครับถ้ามาถึงวันนั้นที่ทางส่วนกลางก็ส่งมาส่งอะไรครับ พู้ตรวจการมาเนี่ยคุณจบแล้วคุณไม่มีที่อยู่คุณแก้ไขซะก่อนที่เขาจะมาแต่เจ้าหน้าที่ที่ทางทางอะไรหน่วยเหนือส่งมาเมื่อไรเนี่ยคุณจบแล้วทุกอย่างมันเหมือนกับจะบอกเป็นในในว่าบอกไปในในว่าตอนนี้คุณคุณมีเวลาที่จะแก้ตัวทําไมไรกัดออกมาไหรเนี่ยไม่ไรกัดไม่มีการต่อรองไม่มีการต่อรองอะไรทั้งสิ้นหมายไรยกัดคือผููที่ ลายซู S <S ้นลอฮ์มาอามารฮุมมาลอสั <aha> <S <S ่งยังไงก็คือคนตรงคนเถินตรงลายสู้นลอฮ์มาอามารฮุมไม่ฝ่าฝืนนลอสวาหัตละนะครับสั่งหนึ่งคือหนึ่งสั่งสองคือ2สั่งสาคือสาสั่งสี่คือสี่ไม่มีเป็นห้าไม่มีเป็นจากสองไม่เป็นหนึ่งจากห้าไม่เป็นสี่ไม่มีเด็ดขาดเลยหรือจะ ติดเส้นบนไม่ได้เด็ดขาลระยะฟูนัลลอฮมาราหมวยเยฟอลูนอมาอยุมารูนทำตามที่อัลลอฮฺสวาตลาสั่งเท่านั้นแต่ของมนุษย์ทำเนะเป็นอะไรครับอุดยนหุ่นย น, น, ยนทำมาแค่ไห น, นแค่นั้น แตมาแค่ไหนแค่นั้นเนี่ยอัลลอฮุสซาลาฮฺแต่ไม่ไรกัไม่ใจ่หุ่นยนต์นะแต่จะบอกว่าไอ้ที่มันเชื่อฟังคาสั่งเนี่ยก็เนี่ยครับพอนไม่เท่าไหร่ก็คือ้นเดินกันเดินได้ต้องมันต้องใส่หลายๆคาสั่งเข้าไปซึงมันจะทาโน่นทำนี่ได้เนี่ยซึ่งต้องคิดต้องพัฒนาไปไอหุ่นยนต์ไอไอโรบอคอปอะไรพวกนี้มันหลายๆคาสั่งใส่เข้าไปสร้างโปรแกรมหลายๆชั้นเข้าไปจะให้มันพูดจะให้มันเร่งต่างเนี่ย ต้องสั่งต้องป้อนข้อมูลเข้าไปทั้งหมดเลยมันไม่ได้ทำเองอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมว่าความพิเศษของมนเมื่อเทียบกับมาไหนการพิเศษขนาดไหนเลอัลลอะฺสมบาตาตั้งมนุษย์เป็นผู้แทนนะเป็นคลิฟะนะครับเพราะสั่งมาแค่นี้มันมันสั่งมาแค่นี้เนี่ย นะสั่งมาแค่นี้มาเจอปั๊บสั่งมาอย่างนี้แต่มันมาเจอแบบอื่นจะแก้ปัญหายังไงเรต้องกลับไปถามใหม่ใช่ไหมต้องไปถามใหม่สมมติส่งส่งสั่งลูกน้องไปว่าให้เก็บให้เก็บสตังค์ไม่ได้สั่งอย่างอื่นเลยถ้าเขาไม่จ่ายตังค์จะทำยังไงแก้ปัญหายังไงต้องกลับไปถามเจ้านายว่าจะให้ผมทำยังไงเขาไม่จ่ายตังค์เนี่ย ฮะถ้าไปบอกเจ้านายเจ้านายยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมครั้งเนี่สั่งไปแล้วก็กลับมาสั่งกลับไปแล้ว ก, กลับมาในี่แม่แรกผลต้องทีเจ้านายจะพูดยังไงครับเจ้านายจะพูดว่ามึงไม่มีสมองหรือ ย, อยังไงวะมึงคิดบ้างสิมึงแก้ปัญหาของมึงเองบ้างกูจะไม่ามาสั่งกูจะไม่มีเวลาทำมาหากินแล้วกูต้องมาต่อคอยต่อปัญหามึงเนี่ยฮะผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่วันนั้นมันไม่จําเป็นต้องต้องต้องอะไรแล้วจใช่มาลัยการ์ดว่าจัดการไม่มีต้อจะมีคนต่อรองอะไรเยอะแยะมากมายแต่เรื่องทุกเรื่องมันจบแล้วไม่มีการต่อรองไม่มีการต่อรองเลยในวันนั้นในวันวันวันวันแห่งการพื้นคื้นชีพไม่มีการต่อรองใดทั้งสิ้นเลยมาลัยกัดแล้วมนุษย์นี่มีเห็นอกเห็นใจอีกต่างหากโอ้คนเจ็บคนปวดคนอะไรต่างๆครับเวลาเด็กแวนซิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ย มีแต่คนสาบแช่งว่ามันน่าจะนะครับให้มันแหกโค้งให้มันอะไรต่างๆชนเสาไฟฟ้ามันราคาญเหลือเกินแล้วมันไม่ไหวแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันแหกโค้งแล้วก็มันนอนจมกองเลื่อนอยู่ที่หน้าบ้านเราเนี่ยเราจะทำไงโอ้รีบช่วยเรียบยกเรียบพยงโอ้โอ ความสงสารกลับมาดันที่เลยส่งโรงพยาบาลไม่มีใครที่ว่าถมน้ำลายใส่ไม่มีใครว่าอก้มกูกห้สัตให้สัตว์ใหญ่ๆขอกระทืบสักทีวะยังไม่ตายดีก็ให้มันตายไปเลยอย่างเงี้ยนี่คือมนุษย์ไงมนุษย์มานอะไรกะไม่มี ยามาเรอนะยามารอยามาเราโนั una, ra, ura, ้นมาแล้วอีกแล้บุชรอยามาอีดินมาแล้วนะครับว่าวันนั้นไม่มีข่าวดีในวันนั้นลินมุจิริมีนสําหรับคนที่คนชั่วไม่มีข่าวดีที่ไม่มีข่าวดีเนี่ยคือสําหรับอัลมุจริมีนคนที่ทําความชั่วไม่มีข่าวดีวันนั้นยกููลนาฮรอม ูรอนี่เป็นคำหนึ่งที่แต่ไปเปิดในศัษษษพท์ศัพท์เาเรียกศัพท์ยากในอันกรุณาศัพท์ที่ต้องต้องมันเปิดพระจนานุกรมธรรมดาไม่ได้มันเป็นมันเป็นคำเฉพาะนะครับฮิจรมมะยูรอเขาที่บายงไงครับ Hijrah mahjuro. Alangkah tua dia. Wah, kau mah hijrah m a h j u r a Mai dengan apa? <coughs> <coughs> คำนี้ในในตับศีลดใบตัวีตับศีลภาษาที่มีความลึกซึ้งจะมีปัญหาเรื่องอกดีดาอะไรบ้างบางบางบางประเด็นนะครับบาเรื่องท่านบอกว่าฮาดินคำว่า ا و ่ ي เ م, م ี้หม่ำมั้งแกนุย์กูลุนอิน و ัลิควายนั่ดูอู้ฮุจุม ل มักรูฮ์อู้ตกล ا ห์ฮาะอัลมาเล ا ับิมะเาคถามแรกก็คือว่าใครเป็นคนกล่าวกล่าวคำนี้นี่ที่เรียกว่าตัซีนะครับใครเป็นคนกล่าวคนี้ยักูลุน เคยเปนกล่ามาลายกา์เรียกว่าคนคนมันมุจิมินอันน้ไมลกา์กล่าวหมายความอย่างไรถ้ามุจิเรมินคนชั่วี่กล่าวนั้นหมายความว่ายางไมาลากา์กล่าวก็ง่ายงายก็คือว่ า, าฮรอมันอะไรกมันเนวินอาวินบุชรอท่านไม่มีสิทธิจบสำหรับพวกท่านาฮะรอม ไม่ได้เด็ดขาดเลยพวกท่านเนี่ยสวรรค์ก็น่าไม่ได้สวรรค์เด็ดขดาดนะอันวัชรไม่มีข่าวดีสําหรับพวกท่านไม่มีสวรรค์สาหรับพวกท่านคำว่าหิจร ม, มังยู่หรอแต่ถ้าหากคนบาปกล่าเนี่ยเป็นการขอความช่วยเหลือผูเป็นอย่างนั้นเลยคือขอความช่วยเวลาความเลวร้ายประสบกับตัวเองคนชั่วอย่างไรมันตะ ก, กตะ ก, กบดอย่างไรฟืร่องออน ที่อ้างตัวว่าอนา บ, บุคคลอ่ละตอนที่ จ, จมน้ำเนี่ยกล่าวอย่างไรยอมจำนนยอมแพ้ขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกันขอความช่วยเหลือวย่งไรขอความช่วยเหลือว่าไอยไอมนา่งลีกอาฮุม ไอยมนะลิโกอาุมว่เฮียมิมมากานูยาโคลูนอยาอยาอยาให้เขอยากให้พวกเราได้พบตรงนั้นแลยจะรำกันพวกเราไว้ด้วยอจะให้ไปถึงตรงนั้นเลยอยากขึ้นอยากขึ้นแท่นพิพากษาเลยอย่าสอบสวนพวกเราเลยยอมแล้วก็อย่างเดียวอย่าให้พวกเราไม่ไม่ต้องพบเราไม่ไม่ไม่หวังได้ไม่หวังจะได้พบพอไปถึงจริงๆก็บอกว่าถ้ามันเกิดอะมาไลกาต์ออกมาแล้ว เขาขอพวกเราอย่าวาพวกเราเข้าไปเลยคนที่จะเข้าสู่หลักประหารนะคนที่ทำใจไม่ได้มันจ ะ, สะแสดงตัวยังไงวีดร้องดิน้นต้องลากไปต้องหามไปเพื่อที่จะเข้าสู่หลักประหารนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่ายังไงยังไงอยากให้เราเข้าไปช่วยช่ว ย, วยช่วยช่วยด้วยอย่าให้เราไปพบเลย อย่าให้เราไปพบการพิพากษาอย่าให้เราไปพบออโลสมหาตลาดกาพิพากษาตัดสินเาะออรสอาตลาเลยอย่าเอาเราไปสอบสวนเลยบางคนเลยแก้ปัญหาด้วยกันเอาเชือกผูกรองเท้าแขวนคอใช้ในกลงขังนี่ หนีคดีด้วยวิธีการที่ว่ามันมันอับอายมันอับอายมันอับอายขายหน้าคดีที่มันอับอายขายหน้ามากที่สุดบางคดีเนี่ยคนที่ทำเนี่ยคือกินยาพิษตายต้องไปกันไว้ต้องอะไรต่างๆไว้ทำไมคนชัว่วคนต้องกันไม่ด้วยต้องตรวจเอาใครเอาเข้าหอไปใครอะไรไปต้องตรวจ ะละเอียดเลยอย่าให้เอาอะไรเข้าไปกลัวว่ามันจะฆ่าตัวตายซะก่อนยังไม่ตันวิบากษามันคดีหนักว่าดีองกจักรันจริงมันตายตา ย, ตายไปซะก่อ็มันือจบเลยจะได้ไม่ต้องเปลืองอะไรก็ไม่เปลืององบประมาณแผ่ิงใช่ไม่การไว้ทำไมอะ่ะ พิพากษากระบวนการยุติธรรมต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมต้องให้มันรู้แจ้งเห็นจริงว่าคุณทำหนึ่งสองสามจะได้เผยอย่างน้อยก็ได้สาธารณชนจะได้รู้จะได้เป็นบทเรียนว่าเนี่ยคนชั่วมันทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้อย่านี่ยโอ้ขยายออกมาเป็นร้อยร้อยพันพันหน้าเป็นสิบสิบปีกว่าจะขึ้นศาลจะออกตัดสินพิพากษาให้ประหารชีวิตให้จําคุกตลอดชีวิตหรือเป็นร้อย เป็นร้อยปีร้อยร้ปีในโลกตะวันตกที่บวกก็ไปบวกขันนี้ด้วยตรงนี้นกลายเป็นสองร้อยามอปีให้เจริญหนักอยู่ราอย่าให้เราพบเลยสิงนั้นอย่าให้เราพบเลยมันสรุปเองได้ไงพอสรุปเองได้แล้วพอถึงมันที่สรุปไม่ได้มันไม่เจอของหนักหนักมันคิดไม่ออกอะไรก็คิดไม่ออกมันสบายคนเรามันสบายแต่ถ้าเจอหนักเมื่อไหรเนี่คิดออกกันทีเลย ความตายช่วยปลุกคนมีนักวิชาการบางท่านเขียนเขียนอะไรไว้คือความตายความตายความเจ็บปวดนี้ช่วยให้ปุกคนให้ตื่นขึ้นความยากลําบากลสวาตาลาทดสอบเราด้วยการถือที่เราจะไม่ให้เราตื่นขึ้นหลายอย่าง ตื่นขึ้นพร้อมๆกับความหิวถ้าอิ่มนี่มันนึกอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกมาอยู่ในความสงบมาอยู่ในคนเดียวมาอยู่คุนวะเอติกาบเราคิดอะไรออกคิดอะไรได้บางอย่างพลังแทนที่อะไรครับร่างกายมันนอนแอร์แต่พลังทางความคิดพลังทางจิตวิญญาณมันมันสูงขึ้นแต่ถ้าอิ่มเนี้ยอันนี้มันต่ําลงมันเหลือเชื่อนะครับเหลือเชื่อว่าเพราะอิ่มแล้วเนี่ยสมองก็ต่ํา แล้วก็อะไรครับจิตใจก็ต่ําลงคนที่อิ่มคิดได้แต่เรื่องหัวเราะอย่างเดียวเรื่องอีกซีกหนึ่งโลกอีกซีกหนึ่งมืดไปเลยโลกแห่งจิตวิญญาณโลกแห่งว่าเราจะใช้ความคิดความอ่านอะไรต่างๆโลกอันบริสุทธิ์เนี่ยปิดไปเลยเวลามันเวลามันอิ่มมากๆเนะี่ยมันคิดไม่ออกไม่ไม่รู้จะคิดไปทําไงไงก็อิ่มอยู่ไงก็มีกินอยู่ไงจะคิดไปทําไม คิดในรุกสมองทำไมถ้ามีกินมีใช้เนี่ยแต่ถ้ามันยากจนเมื่อไรกูก็ต้องคิดอีกสิ่งหนึ่งโอ้ถ้าเราแต่ก่อนนี่เราเคยรวยวันนี้เรายากจนเราจะคิดโอ้เป็นแบบนี้เองนะักคนที่ลําบากเนี่ยถ้าฟื้นกลับมาถ้ากลับมารวยอีกครั้งหนึ่งก็จะได้นึกถึงว่าโอ้ต้องนึกถึงคนอื่นบ้างเหล่านี้เป็นต้นนี่ยลสวาตลาให้เนี่ยครับฉากจากสําหรับผู้ปฏิเสธสําหรับโมจิริมีนคนบาปเนี่ยแต่ว่ามันช้าไปหน่อย ชาไปหน่อยชาตรงที่วา่าพอถึงมาไลากัสออกมาแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอืมอิจรอผักจูร وقدمنا إلى ما عملو من عمل فجعلناه بأمن ثور เอาละเรียร้อยแล้วนำตัวมาแบบบีบักษา ตัดสินวิพากษาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครึ่งวัน <c oughs> เดี๋ยวจะถึงข้อายะาว่าเอการวิพากษาคิดบัญชีอะไรทั้งหมดจบภายในครึ่งวันเสี่ยงหนีซัดเราสวาทละเสี่ยงหนีซัดข้มูลพร้อมอยู่แล้วมันใช้เวลาเท่าไหร่ที่ปัญหาว่ามันเวลาตํารวจจะตัดสินคดีหนึ่งเนี่ยนะ <c oughs> ได้ยินไหมเราก็ตํารวจอะไรเก่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานาพยานปากเอกยังหาตัวไม่เจ อ, อให้นักประดานา้างมหาพยานชิ้นสำคัญคืออาวุธปืนที่ใช้สังหารที่ใช้สังหารก็ว่ากันไปรวบรวม <S <S ยพยานหลักฐานไงครับเสียเวลากับการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเท่าไหร่ และพยายนไม่ครบประจบคดีฟ้องไม่ได้ส่งฟ้องไม่ได้พยายนไม่ครบตกลงว่าพยายนพยายนหลักฐานไม่เพียงพอไม่พอฟ้องไม่พอฟ้พองตกลงว่าสบายเพราะฉะนั้นคนทําความชั่วจึงวิธีการหนึ่งก็คือว่าทาลายพยายนหลักฐานยังไงก็ได้มีรักเลงใหญ่สมัยผมอยู่ที่โรงเรียนสัตนุบธ ร, รม แกเคยเคยฆ่าคนเคยเป็นคนชั่วแล้วก็บอกว่าเวลาจะไปฆ่าคนะใส่ถุงมือยิงปืนเราใส่ถุงมือถุงมือก็เอาน้ำส้มสายชูทาด้วยอถอดทิ้งหรือเผาทิ้งจบถามว่าอะไรมือจะไปปรากฏอยู่ในปืนไหม เปิดจะทิ้งได้ก็ทิ้งไปโยนก็ถึงวิธีการที่หนึ่งก็คือทิ้งโยนลงคลองลงแม่น้ำบางทีก็โกหกตารวจดีกว่าโยนตรงนี้แต่ไม่ได้โยนตรงนี้โยนที่อื่นโอ้ยมันจึงต้องออกมาว่าตํารวจจะซ้อมผู้ต้องหาอะไรต่างมันชุดชุดอบางทีนะเราก็จำเห็นเห็นใจว่าถ้าเกิดว่ามันคนที่ช่วยจริงๆก็ต้องหาวิธีเลยต้องซ้อมผู้ต้องหาเลยเพราะมันไม่ยอมรับไงมันเจ็บใจ มันก็ผิดนะแต่ว่านี่คือกระบวนการของคนคนชั่วคือคือมันต้องหาวิธีการที่พลิกแพลงที่จะหนีคดีให้ได้แต่ถ้าพยานหลักฐานพร้อมไม่มีอะไรที่จะเสียเวลาคนพร้อมหน่วยงานทุกงานพร้อมมาลายกัดพร้อมอย้ามาอมาเราเนั่นมาลายกัดออกมาเป็นแถวลงมา มาเลยกัดลงมาพร้อมที่จะพิพากษาตอบแทนแล้วใช่ไหสอบสวนวกฝากอดิมนาอีลามา AMILU เราก็อดิมนามาแปลว่าอำนาจนั้นเกิมุ่งมัทีทุ่ยุ kami ทุ่ยุกันกรพิบิจารากับเกอย่างพวกเขาที้ทำาน มุ่งมาตรงนี้ก็คือเปรบิจระอัจัดการที่จะพิพากษาตอบแทนสอบสวนลสวาตาลามาให้บาดาลมาอะไรกันมาจัดการมุ่งมาแลละมุ่งมามามุ่งมาที่ไหนมุ่งมาที่การงานคนเรา ท่าของคนเราเนี่ยอยู่ไหนอยู่ที่การงานแลวไม่บอกว่ามมุ่งมาที่คนนัน้นนายกนายขอมุ่งมาที่การงานดูดูที่ว่าการงานทำยังไงเพราะบางคนตาบอดบางคนเป็นคนยากจนบางคนเป็นอ ะ, อะไรต่างๆไม่เท่ากันคนเราคนหล่อคนไม่หล่อไม่เท่ากันคนเราแต่ว่าดูที่ไหนอิล า, าไม่รู้ในสิ่งที่พวกเขาทำมาดูที่การกระทำกันนั่น กูไม่ต้องมาเสนอกูไม่ต้องแต่งตัวหลอ่อมาหรอกคุณทํำยังไงผมดูที่การงานของคุณก็อ้างก่อใช่ไม่ได้อะไรไม่ได้ดูการงานอย่างเดียวดูการงานอย่างเดียววันนั้นดูการงานอามั้นอย่างเดียวมาอามิลูแล้วการงานก็สองทําดีหรือทําไมด่ดีแต่พอไปดูการงานของคนชั่วหนินะดูการงานของคนชั่ว ปรากฏว่าคนชั่วคนไม่ศรัทธาเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังได้เข้าใจเรื่องให้ดีอย่างนี้เ <c oughs> <c oughs> พราะเราสับสนอยู่ประเด็นนี้พอไปอ่านในตรรศีตับศีที่ทําให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีอีกตัรศีดึงที่สุดยอดของกคำอธิบายเข้าถึงในบางประเด็นที่เราไม่เข้าใจว่ามันมันมันจะจะอธิบายยังไงเนี่ยคือตัรศีดฟีซิลานินกุราน ของชหฮิตอ่ะชาฮิตใส่กุตุบอกไม่มีงานทำก็ไปจับผิดใส่กุุบ <c oughs> เอาบางประเด็นมาเอาบางประเด็นบางเรื่องบางราวอะไรต่างมาเที่ยหุกกมุมหลายหลาย แต่เราคิดแบบเป็นธรรมคิดแบบแบบแบบธรรมดาชาวบ้านทั่วไปเนะนี่ยหนังสือหนังสือทุกเล่มที่คนคนกาเฟทเขียนอ่านไม่ได้ไม่ต้องเรียนตั้งแต่ก็หนังสือก้ออ่านไปก้อเดี๋ยวเรียนเรียนไม่ได้ทําไมอ่ะอานก็ได้คนคนเขียนอย่างมุชิกหนังสือบังเล่มยูเขียนเรียนไม่ได้หนังสือยูเขียนเรียนได้ยังไง นั่หละเหนื coisa, realised, ่อยม่ไเหนื่อยสังคมเราอยู่ในสังคมเนี่ยเหนื่อยมันเป็นการปิดมันทําให้อะไรต่างๆที่มันมันไปไม่ได้ไงเราเรารู้ว่าสังคมถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยมันไปไม่ได้มันถอยหลังเ้าคลองแล้วมันอ๋อยิ่งวันยิ่งนับจะเอาคนโน้นมาถูกกลมคนนี้มาถูกกลม นั่งในห้องมานั่งหุกมุมเขาสร้างมหาวิทยาลัยสร้างโรงพยาบาลสร้างไม่รู้อะไรต่ออะไรอาจารย์ของเราส่งมาในในในในเฟซมีคนคูเวตคนหนึ่งชื่ออับดุลร r รม h m นอ a ส u m ม t เป็นคนคูเวตจบหมอจากอิรัก อุทิศชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยให้กับคนในแอฟริกาปรากฏว่านะครับเสียชีวิตตอนอายุหกนะสิบสามนะเสี่ยงภัยอันต ร, รายต้องไปพบต้องไปเจอกับคนแอฟริกาต้องไปทำการหน้าว่าต้องไปเรื่องการสอนหนังสือทำโน้นทำนี่ปรากฏว่าที่จาตัวเลขได้นะลองไปดู นะครับไปดูใน Google ก็ได้ผมก็เลยสงสัยว่าคนคนนี้มีไหมใน ใ, ใ, ใ, ในในในในข้อมูลในนั่นปรากฏว่ามีเต็มจอเลยไปอ่านประวัติมีประวัติมีทั้งรูปมีทั้งอะไรต่างๆเป็นนายแพทย์อุทิศชีวิตไั่นแล้วคนคนนี้เนี่ยมาจากจามมาอิควานอุสลีนชั้นโลเช็กสันมาแล้วเอาดาจมเชยว่าก็ปฏิบัติเหมือน เขาปฏิบัติกับเราไปเจอเขาเนี่ยปฏิบัติเหมือนปฏิบัติกับเราเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเป็นอาจารย์ของเขาบุคลิกภาพมาัศลปรากฏ ว, ว่าคนแอฟริกาเนี่ยเข้ารับอิสลามด้วยความพยายามของแกนิสบอล้านไม่นับหมหาหรือะไรไม่นับโรงพยาบาลไม่นับมัสยิดที่แกไปสร้างไว้น่ะ เงินรางวัลที่ได้รับไปเกาบอะไรนกักการศึกาของกสิกรไฟยอนหลายล้านบาทเนี่ยไปก็อเอาไปไม่ได้ใช้ส่วนตัวเลยเอาไปให้ที่โน่นเอาไปช่วยคนแอฟริกาเอาไปเปิดดูไปหาดูสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่คนที่ดีๆเนี่ยรออัปปัตโลกลืม เพราะว่าข่าวอะไรครับข่าวของคนที่ช่วยสนะข่าวของคนที่ช่วยนตัวหนึ่งเนี่ยมันดังกว่าคนพวกนี้หลายหลายหลอลลายหลายลอดโล่ม้ละให้หลออันนี้เขาบอกว่า พราไปอ่านอันกรานี้มันทาให้เราคิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหลายหลเดือนบวชในบารัก้าจริงๆริบารัก้าบารัก้าบางทีอ่านในนอกเดือนบวชเนี่ยมันมันจิตใจของเราไม่ได้อยู่มันมันมันไม่มีสมาธิพอนี่กระที่ที่จะจดจ่อกับอันกรานอ่ะไม่มีสมาธิพอเดี๋ยวจะไปกินน้ำจ้าเดี๋ยวจะไปด้วยไปนี่พราะเราอดอ้อยนี่ไม่ต้องพูดอะไรเรื่องกินนะจนกว่าอาทิตย์จะลงดินก็ทำไม่จะทําอะไรจะคิดอะไรก็คิดไป ถ้าคิดไม่ไหวก็นอนพักได้บ้างก็ว่ากันไ ป, ไป puis, uki, อันนี้มันเลยออกบางเรื่องมันเลยออกมาเห็นหรอบแล้วเวลาที everyday, ่เราใกล้กับอัลลอฮฺสมาธิลามากทิสุนช่วงเวลาที่ถือสินเพราะฉะนั้นคิดว่ามรกาบรกาที่อัลลอฮฺสมาธิละยะะอัลลอฮฺสมาธิละลาเลบรทานักวานเดือนอบ้อนยอัลลอฮฺอักุอรอ่ะคนอิมานทีนี้คนคนไม่อิมานเนี่ยทำไง คนไม่อิมานทําความดีไหมประเด็นสําคัญล่ะโอ้คนจีนคนญี่ปุ่นคนอเมริกาคนที่ไม่อิมานมันทําความดีเยอะแยะมากมายเลยมารายดีงามมันโน่นดีงามมันนี่ดีงามสร้างโน่นสร้างนี่บริจาคทำโ น, น่นทํานี่กว่าคนที่อิมานเยอะแยะมาก ม, มายมีคนเยอะแยะม า, มาทําความดีบรยจากไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วมาถึงวันเกียรมันอันลลอฮฺไม่เป็นธรรมนี่ วันยาสวินล่ะมันจะสนะวนเปล่าเขาไม่ได้บุญเลยนะไม่ได้เลยครับนี่ไงไอย้ยัเดี๋ยวอธิบายว่าไม่ได้ยังไงคนดีเยอะแยะมากมายเราพวกคนดีเยอะแยะมากมายบนโลกนี้ที่ไม่ใช่มุสลิม ค, คนดีคนดีคนดีว่าคนดี คนที่มีการงานดีคนท ي ي is, ี่มีมารยาทดีเอาอย่างไรพอมุ่งไปยังการงานพอจะอันนะฮุฮาบสอบสวนสอบสวนไปสอบสวนมาแล้วเราทำให้การงานของพวกเขานั้นเป็นเหมือนปุณทุลีเขาอธิบายไปว่าไฮับะุบาร์ยารอฟีชีอ เหมือนกับฝุ่นละอองเราไปสมมติว่ามันมีอะไรครับอันนี้มันมองมองไม่เห็นใช่ไหทยทําังไงยห้มองเห็นนะถ้ามันมีช่องที่มืดแล้วก็มันมีแสงสว่างพุ่งออกไปอะ่ะมันจะเห็นฝุ่นละอองเต็มไปหมดเลยฝุ่นละอองนั้นโอ้โหเยอะมากเลยลองเอามือไปจับดิเอามาดูหาบามันสู้เนี่ยครับ เยอะแย่มากมายแต่ว่าจับออกมาไม่ได้อะไรสักอย่างเลยไม่ไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยฝุ่นเต็มไปหมดเอาคว้ า, าไปที่คว้าไปเอามาไม่มีเต็มหมดเลยเนี่ยเนี่ยถ้าถ้ามันเกิดว่ามันมีอะไรที่จะจะเห็นฝุ่นละอองในอากาศเนะครับเนี่ย ก, การงานการงานที่ดีของคนที่ปฏิเสธอโลสสวาทละทําไม่เถ้าโลกนี้มีพระเจ้าไงเอาผมยกตัวอย่าง โรงเรียนหันใหญ่เวียคารมีเจ้าของไหมนี่ใครที่จะมาทำงานในนี้ทำไ ง, ำงเราก็ต้องประกาศเราก็ต้องสมัครคนๆต้องมาทำอย่างนั้นทำย่างยื่นใบสมัครต้องสัมภาษณ์ต้องสอบต้องอะไรก็ว่าไปฮะมาทำงานจะตั้งแต่นะครับตั้งแต่เก็บกวาดขยะนะจนกระทั่งถึง ยกไปถึงว่าขอโอต้องผ่านกระบวนการทั้งหมดเลยมีเจ้าของได้ค่าตอบแทนไหมได้ค่าตอบแทนแต่ถ้ามีคนคนหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> เห็นโรงเรียนน่นนยเยาวคารมารกตาเลยเกินมาจากไหนก็ไม่รู้ มันรกตาและเกินกูดูไม่ได้แล้วมาขุดคูมาปลูกต้นไม้มากวาดขยะมาทําโอ้สุดยอดเลยนักเรียนว่ามาชาลลอคนนี้มาชาลลอมาชาลลอเนอะเฮ <c oughs> เราก็เราก็จ้กของโรงเรียนก็เอ อ, เ อ, อไม่เป็นไร <c oughs> ดีแล้วแล้ว่า คุณมาจากไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้มาจากไหนรู้จักเจ้าของไหมไหมไม่รู้จักไม่รู้จักฮะว่าน้ำเส้นน้ำเส้นหิวข้าวคอที่ผมทำทั้งหมดเลยก่อนสักสองหมืนได้ไหมก่อนสักสองหมืน ฮะผมจะทำยังไงอ่ะเจ้าของเขจะเอาเงินที่ไหนอ่ะว่าประมาณจัดไว้เมื่อไรเอ้าคุณคุณมาทำเองคุณผมไม่ได้ใช้คกอมที่คุณเข้ามาคุณก็ไม่ได้บอกผมคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับผมเลยคุณโรงเรียนคุณมาจากไหนอ่ะคุณจะทําดีขนาดไหนคุณต้องขออนุญาตผมคุณต้องต้องต้องอ๋อต้องมาเคลียร์กับผมก่อนจะทําอะไรตรงไหนถ้ามันเกิดความเสียหายแล้วใจว่าอย่างไงนี่นั้นมันดีนึ่นก็โอเค คุณคุณก็โอเคคุณก็ทำดีแล้วแต่ผมไม่มีใครจ้างให้คุณอ่ะตกลงว่าฮาบาอันมันซูรอนี่คนกาแฟการกระทำของคนกาแฟนะเขาทำดีทุกอย่างเลยแต่เขาไม่เคยเชื่อมกับเจ้าของเลยก็อยากจะทำก็ทำดาบอะไรที่ที่โกโกสนานดับอะไรดับตำรวจอะไรที่ที่ปลูกต้นไม้ข้างถนนนะ อะไรแล้วก็ขึ้นปไปใหญ่โตดับอะไรที่โฆษณาลงปลูกต้นไม้ไม่สนใจใครไปจบกลางแดดดินแข็งไงพัพั บ, พบปลูกต้นไม้วันละต้นดับตำรวจอะไรแล้วทําไมหมฮะเออถามว่าแกไปเอาค่าจ้างที่เคยได้ไหมไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีไม่ ม, ม, ม, ม, มีนอกจากว่าจะบริจาคบนโลกนี้นดะ้แต่โลกหนะ้าไม่ไม่ไม่มีครับคนที่ไม่เชื่อมโยง ก, กับเจ้าของ มันเหมือนกับในองค์กรหนึ่งๆคุณมาทำงานทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างคุณไม่เกี่ยวกับเจ้าของเลยคุณทำโน่นทำนี่อะไรต่างทาดีทาให้เไม่มีค่าจ้างครับโหดไหมโดยระบบของมันมีระบบที่ไหนที่ว่าใครอยากจะมาทำก็ทำโรงรนี้นะคุณอยากจะมาทำเดียวเปิดเลยเปิดเลยคุณใครจะมานั่นก็เปิดเลยจะเข้ามาโดยไม่เกี่ยวกับเจ้าของได้ไหมต้องขออนุญาตกว่าจะทาตรงไหน อันนี้ผมจะมาช่วยโรงเรียนอาสาสมัครเนี่มั้ยอาสาสมัครมาช่วยโรงเรียนทำํำยังน้อยต้องถามเจ้าของก่อนแล้วคนนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าของเลยเนี่ยมันมันเก่งมัาจากไหนมามันมันมันเขาเรียกภาษาไวรุสว่าเสือก <c oughs> ไม่มีค่าตอบแทนต่อไปอธิบายได้ไหมว่มาทําไมโอ้เราไม่ยุติธรรมยังไงเราอธิบายขาขาให้เขาเข้าใจเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าโอ้มันคนทําดีไม่ได้อะไรเลยได้ไง ว่าคุณจะไม่เอาจากใครอ่ะน้าเอาคุณคุณอาความดีหลังจากเอาความดีตอนไหนความดีบนโลกนี้เอาคุณคุณก็ได้ไปความดีความดีโลกนี้คืออะไรหนึ่งสบายใจได้เอาได้ได้น้สบายใจสบายใจไม่ทําดีสบายใจได้หนึ่งสองสองคำชมเชยได้ไหมได้อันนี้กันถ้าเป็นเรื่องของความสวยงามได้ความสวยงามไหมได้ ถ้าเป็นเรื่องทางสังคมได้โรงพยาบาลไหมได้นะถ้าสร้างโรงพยาบาลน่าจะไปจากช่วยถ้าคนป่วยก็หายป่วยบริจากนั่นอะไี้ได้ได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดเลยที่พูดนี่คือหลังความตายไงคุณไม่ได้เลยเลยอันนี้เมื่อคุณไม่เชื่อเรื่องความตายแล้วคุณจะไปเอาอะไรอีกก็จบชีวิตหลังความตายแล้วที่บอกว่าถ้าญาติหน้ามีจริงนะคุณไม่ขาดทุนใหญ่ ทำไมคุณไม่ตั้งสมมติฐานชาติหน้ามีจริงคุณจะได้ไม่ขาดทุนทั้งสองโลกคนไม่กำไรโลกเดียวกำไรโลกหน้าคุณจะได้กำไรด้วยว่าเอาเปาว่ า, าชาติหน้ามีจริงไว้ด้วกันทาระวังชาติท่าชาติหน้ามีจริงกับชาติหน้ามีจริงเนี่ยไหนดีกว่ า, าใช้เหตุใช้ผลกันเถียงกับคนต่างศาสนาบางทีมันก็ต้องนะฮะสมัยก่อนผมจาได้เวลาจัดนิทรศการ เมืยมวะทเดินสายจัดนิทรศการโลกอิสลามไปตามงานสุโรไปตามงานอะไรต่างๆเราไปตั้งนะตั้งบอ่อตั้งอะไรต่างๆอิสลามในแง่นะั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีหายไปไหนหมดนะคนต่างศาสนิกมาคนมุสลิมที่ไม่ค่อยจะเข้มแข็งเรื่องอิมานอะไรทั้งๆเขามาถามเราอธิบายเนี่ยรุ่นนี้ยทำไมนะั้นผมรุ่นรุ่นเนี้ยอธิบายครับ ถูกปิดไม่รู้แลยเอาอิสลามไปก่อนไม่มีใครไปหุกบมันตรงนั้นเรียนศาสนาก็ไปเรีย น, นทีนท่ไหนจะอ่านหนังสือมา อ, อธิบายอิสลามรอดไปก่อนบางที่เขาก็เออตามเราเหมือนกัน โ, โอโอ่อโอ่ออ่อทำไมอยางโน้นทํา ไ, ไมนี่เราก็อธิบายชักแม่น้ําตังห้ามาไว้เขาเข้าใจอิสลามอันนี้คือเด็กวัยรุ่นไงเด็กวัยรุ่นที่มีอิสลามไงแต่เขาเรียนที่ไหนไหมไปเรียนไทยต้องครูไปจับอ่ะถ้ากูต้องรูไปโห้ปิดตั้งนั้นเลย นี่ปัญหาคนเียคนอะสังคมเรามีคนพวกหนึ่งจะพยายามทำในสิ่งที่ดีงามปกป้องอิสลามแต่คนพวกหนึ่งนี่คอยจับผิดคนเราที่อยู่ระหว่างการเรียนรู้นี่บางทีบางเรื่องก็ต้อ ง, งอภยัยเ็าผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ดูที่ผลไงผลมันออกมาดีวันหนึ่งเขาเรียนรู้อย่างผมทำไมก่อนผมไม่เรียนก็ผิดเยอะแยะมากมายวันที่ผมเรียน แต่ว่าตรงนั้นก็เป็นประสบการณ์ของผมไงอันนี้ถ้าคนผู้ใหญ่คิดอย่างเนี้อันนี้มันคอยจับผิดอะต่างออกมาถ้าจอทีวีก็คนพวกหนึ่งก็คอยจับผิดวนนด่าอีคนนี้ผิดอย่างนั้นคนนี้ผิดอย่างนี้โอ้กลายเป็นเป็นอะไรที่มันไม่สร้างสารรค์เลยเนี่ยครับเข้าใจนะว่าทําไมหาบามุนมัตซคนที่ไม่อิมานตับอัลลอฮ์คนไม่เชื่อวันเกียร์มันเนี่ยการงานของเขาเนี่ยเป็นฝุนติปิววั่นกระจาย นะหนังสือนะอมีเชคอับราสานเขียนหนังสือเล่มหนึ่งแกตั้งชื่อว่าอัตมันสูรอดไม่ใช่มะสูรออัมมันสูรอดพูดง่ายๆว่าเป็นหนังสือที่เหมือนกับสลัดอ่ะสลัดทำไงมะเขือเทศมีผักกาดมีหัวอหอมมี อะไรไปนกันหมดเลยอันนี้มันซุ่รๆก็ซุ่กระจายไปทั่วเลยกระจายนะแต่ ว, ว่าเอาเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องน่าเรียกว่านะจับมาแล้วก็ไม่มีอะไรนอยู่ในอากาศเท่านั้นเองนี่ครับวอนเกี่ยมันในขณะที่มาพูดถึงชาวสวรรค์อีก أصحاب ุนจ er ันนต์ยาวมาอิดิ้น خ ยรุมมุสต قر รัวอัพสานุมะ quila ต้องพูดมากชาวสวนชาวสวน أصحاب ุนจันนต์เยามาอิดินเนวันนัน خير ุนมุสต قر รัมีที่พำนัก ตำแหน่งมนต์ตัปย์เนที่พำนักที่อยู่เรียบร้อยดีที่สุดเลยที่พำนักที่ดีที่สุดตัดสินแล้วพอตัดสินเสร็จพำนักที่ดีที่สุดมีได้ที่ที่พำนักที่ดีที่สุดวะอัสนุตมะกีลาแล้วก็ที่พักผ่อนคำว่ามะกีลาน่ มาเคีรลานะไกลุลา่าเองไหมไกลลุล่าไกลุล่าเนี่ยนอนพักหลังเที่ยงแต่มาเคลียร์ละในที่นี่สวรรค์ไม่มีนอนนะสวรรค์ไม่มีการนอนหลับแล้วในสวรรค์ในสวรรค์ตัดสินแค่ครึ่งวันเองครึ่งวันวันตัดสินวิปัสสาแค่ครึ่งวันเอง แต่สิ้นเสร็จายในครึ่งวันหลังเที่ยงพักเนี่ยพักแล้ว <laughs> มะกี้ล่ะเขาบอกว่าคือสถานที่อ่าอันนี้ในตับสดไปเราวีอธิบายไว้ อ, อธิบายคำว่ามะกี้ล่ะ الله ราะสิ่งนี้คือสถานที่ใี่เรื่ิงููชายิง่แต่งงานนกัใหม่ๆ ะที่ไปพักไปอยู่ด้วยกันแต่มตัตโตะมีความสุขภาษาที่มันไม่ค่อยจะสุภาพเท่าไหร่คือเสพสุขกันสามีภรรยาดื่มดาเสพสุขกันสถานที่นี้มักกีฬาสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดมาสาวโลมันบอกถึงความมันบอกถึงความสุข ที่ชาวสวรรค์จะได้รับพักผ่อนทำไมทําไมของพักผ่อนมันเหนื่อยมาทั้งชีวิตเลยชาวสวรรค์เหนื่อยทั้งชีวิตเลยนี่เหนื่อยกับการถือสินโดดเหนื่อยกับอะไรต่างๆเหนื่อยกับการทํางานเหนื่อยไม่มีไม่มีได้บนดุนยานี้ไม่ใช่ที่พักผ่อนของชาวสวรรค์พักผ่อนก็เพื่อเอาแรงขึ้นมาทํางานเพื่อเอาแรงขึ้นมาทําอามันที่พักผ่อนของชาวสวรรค์ของของ ของลาคนดีทั้งหลายนะครับคือสวรรค์ของอัลลอฮฺสวตาสวตัลลออัลลฮวตลาเลยให้บักคล น, นะครับอัลซนุมะกีลกลับไปอีกครั้งหนึ่งบอกว่ามาไลากัดเห็นมาไลากัดทีนี้ในอายะ์ที่25 นะครับเราจะจบแค่อายะที่น่าจะเป็นอายะที่ยี่สิบห้านะครับรเหลือเวลาอีกไม่มากหยุดแทาเที่ททยงครึ่งอิกชอหนึบอกถึงอะอายะที่ยี่สิบห้ารสวาตลาบอกถึงสภาพของการเกิดขึ้นของวันเกียมะนะครับ อมม่าวันนั้นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นคือตัดฟ้าจะแตกฟ้าจะแยกปะปนกับอุบิลกามเมกหมอกควันนี่จะเป็นอายะที่เป็นมหายิสต์ต้องไปดูว่าเมื่อโลกแตกนี่มันจะเป็นอยู่ในสภาพอย่างไร สภาพของหมอกควันนะครับแต่ชักก็คุตสาม่าไม่เพียงแต่โลกแตกตอนนั้นแต่สมาสมมาในที่นี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายเนี่ยมันป่วนหมดใช้กุตุบเอาอายะที่เกี่ยวข้อง